ทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วกด็ดนชั่วให้ชั่วดีดุดตราตนตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซสืบได้ด้วยกรรมต่อไปนี้ จะได้นําเอาเนื้อหาซึ่งอยู่ในอภิธรรมมัทธะสังหะมานําเสนอดังต่อไปนี้พระยายมราชนั้นเป็นเจ้าแห่งเวมานิกเกเรดทบางทีก็ได้เสวยความสุขคือได้อาศัยอยู่ในวิมานมีต้นกรปพฤกมีสวนทิพ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 ชันจาตุมหาราชิกาเป็นสุขติอเหตุกาาปฏิสนธิก็มีเป็นทุเหตุกาาปฏิสนธิก็มีและเป็นตีเหตุกาาปฏิสนธิก็มีเช่นเดียวกันกับวินิปาติกาเทวดาทั้งหลายทั้งนี้เพราะด้วยอำนาจของกุศลกรรมเจ้าแห่งเวมาในกระเปร็ดเหล่านี้จึงมีโอกาสที่จะได้มรรคผลส่วนในประวัติการนั้นบางคราวก็ได้เสวยผลของกุศล บางคราวก็ได้เสวยผลของอกุศลตามสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้เจ้าแห่งเวมานิกระเพดองคใดได้อริยมักเจ้าแห่งเวมาในกระเพดองค์นั้นก็ได้เสวยความสุขของกุศลนั้นตลอดไปนับตั้งแต่ที่ได้อาริยมักเป็นต้นมานั้นแล ห, หนลชั่ว ชั่วก็นดลชั่วให้ส่วนนายนิริยบาลเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นสัตว์นรกเพราะการเกิดของเหล่านายเนริยบาลเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากอกุศลกรรมแต่หากเกิดจากมหากุศลชั้นต่ำๆเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีชาติเป็นรากสดหากมีผู้ถามว่า นายนีนริยะบาลทั้งหลายไม่ใช่สัตว์นรกแต่เกิดอยู่ในนิริยภูมินั้นเพราะเหตุใดแก่ว่านายนินริยบาลเหล่านี้ต้องไปเกิดอยู่ในนิริยภูมินั้นก็เพราะในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ในมนุษย์โลกมีแต่ความยินดีพอใจในการที่จะเบียดเบียนหรือฆ่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งนั้นแม้ว่าจะมีการบําเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ตามสําหรับจิตใจนั้น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 แต่หากแม้นไม่สามารถระลึกนึกถึงกุศลได้ท้าพญายมราชก็จะพยายามช่วยเหลือต่อไปโดยการไต่าถามว่าได้เคยบำเพ็ญทานศีลภาวนาแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับพญายมราชบ้างหรือไม่ถ้าหากสัตว์นั้นระลึกได้อยู่เขาก็จะไปสู่สุขติทันทีแต่หากระลึกนึกถึงไม่ได้เขา ก็จะไปตกตรอกทันทีก็ถ้าบุคคลใดสร้างทานศีลภาวนาแล้วได้อุทิศ ส, ส่วนบุญนั้นให้แก่พยายมราชท้าพยายมราชก็ย่อมจะระลึกนึกถึงกุศลนั้นได้เพราะตนเอง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 ขออุทิศให้แก่บิดามารดาบรรพบรุษทั้งหลายครูอาจารย์ผู้อุปถัมภ์รายการทุกๆท่านและท้าพญายมราชทั้งหลายด้วยเถินกแกแ่งรรผู้ใดประสงค์ติดต่อติดต่อมาได้ที่สนธิชัยทวีโชคทรัพย์สินรายการแสงธรรมเพื่อชีวิต ตู้ปนห้าหกเจ็ดพระขนงกรุงเทพ1 0 1 1 0โทรศัพท์หมายเลข2 0 7 2 7 4 2 4 1 2 0 0 2 7 4 2 4 1 2 0โปรดติดตามผลงานสื่อธรรมะชุดอื่นๆต่อไปได้นะครับสำหรับครั้งนี้ขอความผาสุขความสวัสดีความเป็นผู้มีปัญญา มีเฮริโอตั ป, ปะและอายเกรงกลัวต่อบาปจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับไม่อาจหลุดพ้นตัณหาคอยเบียนเยนต่อกันเรื่อยมาใช้เล่ต่างต่างนานาไม่นำมาผลกรรมความดีมนุษย์ I'm a rock, I'm o v e e